เป็นเปลทพระทุบพระพุทธรูปที่ถ้ํา จึงเหลียวไปดูเหลียวไปดูก็เห็นสัตว์ร่างใหญ่มี หลังจากนั้นจึงมาปรากฏตัวให้เห็นทุกเย็นแต่ก็ไม่ได้เข้าใกล้พระยังคงแสดงอาการเหมือนเดิมทุกครั้งมาที่มานั้นเขาต้องการอะไรตัวให้เขาจึงบอกว่าทุกเย็น เขาเคยทํากรรมอะไรมาจึงต้องทุคทรมานอยู่ อยู่มาวันหนึ่งเขาไปขอพรพระพุทธรูป ตั้งใจว่าบาดเจ็บหายแล้ว ปุพพกรรมของเปรตแต่จะได้รับบุญกุศลเพียงใดนั้นขึ้นกับตัวเขาเองนั้นหนักหนานเหลือเกิน จึงบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นว่ามักจะไม่เห็นคุณของพระศาสนาต้นนี้เห็นผิดเป็นถูกเปลท ต่อเมื่อรับทุกข์เข้าที่พึงไม่มีนั่น ให้ไปบอกพุทโธหรือตายแล้วญาติจึง แต่ส่วนมากพอๆแล้วแต่ที่ทํามาก็ แล้วขอจึงพอมีผลดีอยู่บ้างในอนาคตคลางเป็นพุทธบูชาพระเทวทัตจึง เขาจะได้รับหรือเปล่าก็ไม่รู้สู้เราทำเองไม่ได้ได้ก็มีความปีติอิ่มเอิบมากเท่านั้น